น้อมน้อมการสักษาใจำพูดคำพูนักสงขอว่าธรรมจตสางระเวลามืเวราขอเจริญธรรมต่ายะเยนก็สมาธกับขอเจริญธรรมตามสมควรเขตเวลาอีกทีนักสมาธิก็เป็นสรืว่าเป็นเป็นภาคหนึ่ง เพราะว่าหลานเนี่ยก็คือน้องสวเนี่ยก็คือก็เป็นหลานเป็นลูกของน้องสาวอยู่ทีก็วันนี้ก็ถือว่ามาสนนาพูุภาษาภาษานรํากันก็ยาโงนั่งให้สบายเนาะนั่งนั่งแบในทีีแล้วที่สบายเนาักเพราะว่าอารมณ์าแล้วก็ยนะจริจเรื่องของน้องน้องสาวเนี่ย ตมาก็จะก็ทราบเมื่อเมื่อวันเกิดเสหตุแล้วนะก็คือหลังจากที่ไปอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุก็ไปส่งที่โรงพยาบาลน้องสาวก็ก็ฟูนครูอาจารยหรือที่เราเรียกันว่าฟูด้วยก็โทรมาบอกว่าตอนนี้ลูกประสบอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้ถามของอาจารยว่าเป็นยังไงบ้าง แต่ที่พี่ฟังจากที่การเล่าอ่ะนะก็รู้เหมือนกันว่าไม่ได้เล่าหมดเพียงแต่ว่าอบอกุลักษณะว่าเอออาจจะเรียกว่าอาจจะกระดูกหักแล้วก็คือการเล่าเนี่ยเือเราก็เล่าแบบไม่ถึงที่เล่าแบบเหตุการณ์จริงมันร้ายกว่านั้นแต่ว่าการเล่าเนี่ยบอกเพียมพอเข้าใจแบบชนิดที่มันไม่รุนแรง แต่ว่าเรารูอาการแล้วว่าที่ฟังค่อนข้างว่ามันรุแรงนะแต่ว่าน้องสาวบอกอาการที่ฟังก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยรุแรเท่าไหร่แล้วบ่อหลังจากที่ได้เล่าเหตุการณ์ได้ฟังแล้วเนี่ยอาจารมาก็ได้พูดถึงในลักษณะที่เป็นธรรมะให้ี่น้องมาฟังนิดนึงเพราะว่าเราก็เห็นใจกันอยู่ว่าอยู่ๆเนี่ยใครก็ตามที่ประสบประเพณีอย่างการหันเนี่ยย่อมจะรับเหตุการณ์ไม่คยได้ก็เหมือนกันทุกคนเพราะว่า ทุกคนก็ไม่คาดคิดมาตลอนว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับกับกับเราหรือกับญาติเรานะก็เลยให้ธรรมะเล็กนิดหนึ่งว่าเออเรื่องทงออองี่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคยรู้กันมาต่อนว่าหมายถึงว่าก็เคยได้คุยไฟังในเรื่องของเรื่องของธรรมะนะแบบนักสาวฟังแล้วว่าความทั้งเนี่ยสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้หรือกับใครก็ได้นะเพราะว่าถึงพวงนี้มันเป็นต่อที่ไม่แน่นอน ก็เลยพูดในลักษณะนี้ให้ฟังเพื่อที่จะเ อ, อไม่อยากให้เกิดการกระเดนใจมากเกินไปก็โอเคหรือว่าวันนั้นก็ได้ได้ให้ข้อ ท, ท, ทําไปนิดหน่อยทีนี้หลังจากนั้นมาก็โยมที่สาวซึ่งได้ไปเฝ้าดูลแล ท, ที่โรงพยาบาลด้วยพ็โทรมาตอนนั้นอาจารยมาก็กําลังจะไปดินสบากพอดียู่เร็นหัวเข่าบอกว่าขอความธรรมะตักสิกขานันดี เพราะว่าก็เหมือนกับว่า ค, าาคานนี้กำลังตกอยู่ในภาวะแบบเนี้ก็พยายามเหมือนกับว่าอยากจะได้กำลังใจแต่ว่าเป็นแนวในของธรรมะอยากให้ยาสมาเพื่อเทศให้ความมันจะติดหน้านทัทีก็บอกว่าเออนั้นได้ก็วตอนนี้เดี๋ยวมันจะได้เวลาไปดิปนต่างๆเนาะก็เลยได้พูดถึงว่าเาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถจะแบ่งได้เป็นสองส่วนก็คือว่าอย า, ากการที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย แต่รับผิดชอบเนี่ยสิ่งที่ที่เราต้องทํำหมายถึงว่าเนการอันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนทางโลกทางโลกก็คือว่าเออเป็นเรื่องของหมอเนาะเป็นเรื่องของหมอที่หมอจะต้องต้องรักษาตามวิชาที่ของหมอเราได้ส่งผู้เสียหายมาถึงหมอแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเราคงผลหน้าที่ไปเป็นเรื่องของหมอที่จะต้องไปไปรักษาเอาเอง นะแต่ตัวเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจตรงนี้เป็นเรื่องของเราอันเนี้ก็เลยไปต่อกคุณพิธาว่ามันเป็นเรื่องของเรานะไอเรื่องจิตใจเนี่ยเพราะว่าเรื่องของหมอก็เป็นหมอเพราะรผิดชอบไปแล้วแต่เรื่องจิตใจเราทํำยังไงที่จะจิตใจของเราไม่ทุกข์ก็เลยพูดถึงว่าให้เราเนี่ยตอนนี้ต้องมีสติต้องมีในสติในการที่จะต้องรู้ตัวเองเนาะต้องรู้ตัวเองรู้อย่างไรรู้ตัวเองก็คือ ให้มารู้ที่กายที่ใจของเราะว่าตอนนี้เราอยู่เราทําอะไรอยู่ตายกําลังเคลื่อนไหวอยู่เรารู้ไหมหรือว่าตายกําลังมีความปวดความเจ็นความร้อนอะไรก็แล้วแต่ให้จิตเนี่ยตัดมารู้สึกที่ตัวนะให้มารู้ที่ทำมามามารู้สึกที่กายส่วนจิตใจของเราก็เหมือนกันเราก็ต้องสักมารู้ที่ใจของเราว่าตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ใจของเรารู้สึกอย่างไรแค่รู้สึกว่าเสียใจนะ รู้สึกเศร้าโตหรือว่ารู้สึกเฉยเฉยหรรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ให้เรามีสติกลับมาดูที่ใจของเราเพราะว่าการที่มีสติกลับมาดูที่ใจของเราเนี่ยทำให้ใจเราไม่ตกออกนอกไม่ตกออกนอกมันก็ไม่ได้คิดเรื่องที่เกิดขึ้นแต่มันเกิดเพียงตามรู้ตามเห็นความเป็นจริงของใจของใจเราว่าตอนนี้มันเป็นอะไรอยู่นะก็เลยขอโยมพิสาบอกว่าให้เรามีสติเพิในเรื่องนี้เนาะ พอจำนวนหมอประกาศไปแล้วส่วนของเราก็ให <c oughs> ้ดูนายยูนิตของเราไปเพื่อดูเพื่ออะไรก็เพื่อเห็นว่าอัาการใดๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเคร่อสายกําลังเคลื่อนไหวตายกาลังปวดพวกเนี้ยมันก็มันไม่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันบางครั้งมันก็ไม่ปวดบางครั้งมันก็ปวดนะก็คือปวดบ้างหายบ้างหรือว่าบางทีเราทํางานอยู่เนี่ยอาจจะมีการเหนื่อยมีการเหนื่อยมากเหนื่อยน้อย หรือว่าเอาทำงานไปร่างกยายอาจะเหนื่อยไมว่ามันร้อนหรือมันเย็นอล้วแต่เราก็ดูมันดูเพื่ออะไรก็เพื่อเห็นว่าในใจของเราเนี่ยมันก็สามารถแสดงธรรมะให้เราดูได้สแสดงอย่างไรก็าสาแสดงว่าคือมาแสดงให้ดูว่ามันก็ไม่เยี่ยงเนาะมันไม่เยี่ยงคือเดิมที่องความปวดไม่มีแต่พอเราเคลื่อนไหวมากเท่าหรือความปวดก็มา เพืเ่อใจเพื่อมาเอาความปวดต้องหายหายไปอีกแล้วความรอ้อนความรู้สึกใด ใ, จใจก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องหายไปนะเกิดแล้วก็จักไปส่วนอาการทางจิตก็ทำนองเดียวกันเนาะถ้าเราดูจิตตัวเองเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงบางครั้งจิตของเราจะายดีอยู่บางครั้งจิตมีความสุขบางครั้งจิตมีความกสงบ แต่บางครั <ix Om ic ry> ้งจิตมีความไม่สบายบางครั้งจิตอาจจะมีความโกรบางครั้งจิตอาจจะมีความเปลี่ยนความเข้าโตกอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นธรรมะที่แสดงให้เราดูอยู่ว่าจิตเองก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดีแล้วหายไปนะอันเนี้อาการที่เกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเพราะมันก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกยังไง อย่างเช่น้องแป๋วเนี้ยเดิมเขาก็เป็นเด็กที่สบายดีอยู่สนุกสนานล่าเรลยใช่ไหยแต่พออยู่ๆเกิดเหตุการณ์ขึ้นอาการทั้งทางกายทั้งทางจิตเขาก็เปลี่ยนอย่างกระทันหันใช่ไหมร่างกายของเขาเมื่อก่อนก็มีความปกติอย่างแรงดีอยู่แต่พอถูกตัวรุกราชเหตุบักร่างกายของเขาก็ทารู้ใจทําหน้าที่บางอย่างไม่ได้อันนี้มันก็แสดงไตรลับษณ์ให้เราดูเหมือนกันว่าเออร่างกายของน้องแป๋วก็ไม่เที่ยงเนาะ จิตใจของเขาก็เหมือนกันตอนธันวเพยาจิตใจร่าเริงแต่อยู่ขนาดหนึ่งเขาอาจจะมีความเจ็บปวดอาจจะมีความเศร้าเสียใจหรือเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาต่างๆเกิดขึ้นก็ได้อันนั้นก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของน้องแต้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในก็ตามทุกอย่างมันก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเนะาะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปอห่ือนกันยหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องความไม่เที่ยง ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเกิดวความเขาเรียกว่ารู้เห็นจังทางเป็นจริงของกายของใจหรือรู้เห็นจางทําเป็นจริงของชีวิตของเราได้ว่าอ๋อทุกอย่างมันเป็นเช่งนี้เองมันไม่เที่ยงดังเพราะฉะ น, นั้นเมื่อสิ่งนี้ไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องนั้นทำไมเราต้องไปพูดสับสิ่งไม่เที่ยงด้วยใช่ไหมเพราะว่าอย่างไรทุกสิก่งทุกอย่างในโลกเนี้ยมันเจะต้องจะไม่เที่ยงเท้านั้น ถ้าเราไม่ีความหลีกเหยียดหรืออยากให้มันเที่ยงอย่างเนี้ยมันก็เป็นความอยากของเราเป็นอันที่ถึงอยากอย่างไงก็ตามสิ่งนั้นก็ยังไม่เที่ยงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก็คือหยุดอยากเสียหยุดอยากก็ทํำยังไงต้องมารียรู้ว่าเราอยากเราก็ละมันไปนะละมันไปแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจในเรื่องธรรมะอย่างลึกซึ้งในเรื่องของความไม่เที่ยงเนี่ยความอยากมันไม่มีอยู่แล้วเมื่อความอยากไม่มีมันก็ไม่จําเป็นต้องละถูกไหม เมื่อไม่รักเมื่อความอยากไม่มีไม่จะบเพลียต้องรัสิ่งๆตรงนี้แหละมันต้องเป็นความไม่พุ่งเป็นความไม่พุ่งทางใจซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สอนเรื่องนี้ก็คือสอนพวกเราไม่ให้พุ่งทางใจเนาะส่วนเรื่องทางตายเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้เมื่อมีตายแล้วเนี่ยมันจะต้องพุ่งตั้งไปเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเหน็บชาใช่ไหมเราป้องกันไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือแค่บันเทากันเท่านั้นเองบันเทาก็คือด้วยการแก้ไข ถ้ามันร้อนมากก็าอาบน้ำเปิดพัลดลเปิดแอร์เพเย็นหรือว่าถ้ามันเย็นมากเราก็ผมุมผ้าทําน้ำหมุนหามไปเราก็ช่วยปั่นเอาได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของทุกทางใจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเราไม่สามารถที่จะหนีหนีพ้นมันมันได้แต่เรื่องทางใจเราสามารถที่จะไม่ทุกทางใจได้แบบเด็กขาดก็เพียงแค่เรารู้ตามความเป็นจริงของมันว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วก็ใจอยอมรับต่อความจริงนี้ได้นะ ไม่ใจอยอมรับความจริงวันนี้ได้อะไรเกิดขึ้นก็ตามใจเราก็ไม่ทุกขนี่คือสิ่งนี้ะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราให้เดยทางตามนี้ก็คือความไม่ทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติในโอกาสานี้ก็อาจาจะขอขอเสนอแนวทํางหนึงเรื่องการวิธีปฏิบัติจริงๆแล้วญาติโยมที่เคยก็เรียกว่าเคยได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยก็คงได้ทราบอยู่แล้วว่าแนวทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้า ถ้าได้สอนแนวทางไวมากมายเนาะก็แล้วแต่จุดเด่นของแต่ละบุคคลว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนเพื่อความรู้ทุกทาใจได้ทีนี้อเนี่ยสมาจะขอสะเสนอแนวทางให้ง่ายซึ่งก็เป็นคําสอนอย่างหนึ่งที่ท่านได้ได้ไ ด, ได้ได้สอนไว้ก็คือเรื่องของการมีสติสติให้มาที่รู้กายนะให้มารที่กายของเราวันหนึ่งเดืนหนึ่งเนี่ยร่างกายของเรามีความเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็ น, ก, นการเดิน การนั่ง น, นะการนอนการเคลื่อนไหวเดินหน้าถอยหลังการเดี๋ยวซ้ายเลยขวาอะไรก็ตามมันมีอยู่แล้วในชีวิตปรจจำวันเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องตื่นตระเตรให้ให้มารู้ที่ายที่ใจของเราอยู่เป็นประจำให้มารู้บ่อยๆระหว่างที่เรารู้อยู่เนี้ยเราม็ตตรียมในการรู้รู้ถึงการเกิดขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายก็จะไปรู้ไปเห็นได้ แล้วมันก็จะเห็นว่าสิ่เนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เที่ยงเนาะมันก็ไม่เที่ยงเพรมันไม่เที่ยงมันก็เกิดการเข้าใจพอเข้าใจเสร็จว่าอ๋อมันทำไม่ได้เป็นอย่างนี้ใจก็ไม่ยึดมั่นหรือไม่ก็เลยเขาเรียกว่ามาเกิดการจำทายเบื่อหน่ายทายกำหนัดในสิ่งที่มันไม่เที่ยงทั้งหลายคือไม่เอามายึดมั่นจนจิตปล่อยวางไม่อจิดปล่อยวางใจมันก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยในเริ่มต้นเนาะเอาตเนื้อว่าให้เราเราต้อรู้กายไปก่อน รลกายเพื่อให้เกิดจิตมีกําลังมีกําลังสมาธิมีจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถเห็นจิตได้เห็นจิตคิดเห็นอารมณ์ทางจิตว่าจิตเนี่ยบางทีมันก็คิดมากบางทีมันก็คิดน้อยบางทีมันก็ไม่คิดบางทีมันก็จิตมันสงบบางทีจิตไม่สงบเราก็สามารถเห็นจิตได้จนกระทั่งเราสามารถเห็นใจเห็นจิตได้แล้วก็ทั้งใจทั้งจิตก็ล้วนแต่แสดงความไม่เทื่ยงให้เราดูได้อย่างตลอดเวลา เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันเป็นเป็นหัวใจสำคัญมันจะเกิดเริ่มต้นที่พวกเราจะต้องเปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะอันนี้เรที่ยงสมาพูดถึงมันก็เป็นเรื่องของการภาวนาเพราะว่าในการปฏิบัติทำแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาแต่ระหว่างเราปฏิบัติทมเนี่ยแค่อุตสัยรู้ใจของเราอยู่เป็นประจาเนี่ยศีลมันก็ได้อัตโนมัติแล้วเมื่อศีลได้อัตโนมัต ความสงบก็ก็จเกิดขึ้นตามมาก็เป็ น, ามมานมสมาธิเมื่อมีสมาธิมากขึ้นก็ปัญญาก็จะเกิดก็คือเห็นตามความเป็นจริงของของมันจะสันหารทั้งหลายที่มันไม่เที่ยงน้เห็นตามความเป็นจริงสุดท้ายมันก็ลดเลยลงที่มีปัญญาก็มีปัญญามันก็เกิดการมีมุกถูกพ้นขึ้นมาก็คือไม่มุกนั่นเองน้ำตัวนี้ก็คงอย่างเออแสดงคำได้คงสมควรในเวลาเพียงเท่านี้ เพะนั้นขอขอวยพรให้ญาติโยมทุกคนเนาะมีความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อควาของบเพื่อจะได้หมดภูมิัจในชาตินี้นะในวัขก็มีด้วยกับการใน